เกปัญหาเป็นแบบนั้นีแต่ตรงกับตุกมีแต่ทางกับทางทางกัตายมีแต่ลอยมาเท่าเยอนะะทุกจักรแต่กาเงยลหาใจเท่าออก ทหนจิตใจมันอยู่มันพักมันลงมันรวมให้เป็นทางฝึกในคิดมันโดนเกิดเป็ยาไทยยาถิดยาสมุนไพรยามาจากที่ไหน้างข้นขาวขึ้ตามเงื่อือเนี้ยจะาโดดไ เยางเ้าดางเป็นพออย่างเงาลอยด่างยาเย์ยิ่งเสพ้ า, าที่ได้ออดดดดติตามันก็มีคุณค่า้ารให้มีอัปธามี่เราจำมาเราจะเห็นดรักษาใจใจของเรารักษาไปเรา ไทยคอเกิปัญหามันเป็นหวางไรมันเป็นส่งเวลาเรื่อหนเรืวงะไตกลงหมอไตที่จอนาตัวเองอยางนั้นเลยต้องเกยบตัวเองเลที่เจอนาตัวเองไม่ทราว่าอะไรมันทำเห้หินไตอะไรทำหนึ่งมันใบาสบายจะเล่นไม่ได้สาหัเหตดอย่างนั้นนั่ก่อนมันมทางรักสา การเหตุขอมันแบาเปบาก็เราที่เจอในอย่งนี้มันวุ่นวายเดือร้อนถ้เราคิดยุ่ง่งนี้มัไม่ท้นแ่กเสี่เสียไม่ทันจะเรนใจ อันนี้ต่วาตัวงกา็บียงน้องเรือหลุมือเเล้ยงไเดขหาคนดงันอาจจะเ็บเอาทุกออก ไปแ บ, บ่งกันเพื่ขึ้นจะให้เบาขึ้นไม่ได้ไอ้ตัวของคนนั้นแหละจะรับทุกจะก่อตัวในทางปฏิบัติาจกตัวในปฏิบัติได้มากคนนั้นก็จะไดมากเบามากในปฏิบัติไม่ได้คนนั้นก็เป็นทุกด์เรื่อยไป ตัวอย่างนี้แล้วค่อปิบัเอาตั้งนตั้งขนตั้งมาจนนับวันนับคืนไม่นด้นับปีนับเดือนไมได้แต่กวิตกรระดาษล้าังจิตของเราเ้ะุ่นไปแล้ว เกิดจากเองทำไมถูกเอยู่ในตัวเนี่ยมันจะวันเกิดขึ้นทห้หนาวนะความแฉะความเกิดความตายวิริยะปวาหกีปะทะมันแสดงอยู่ทุกระยะทุกเวลายั้มีเล่นหาใจเหนืมันเล่นเหือยทนหน้าเนี่ยแสดงเหล่ทุกอย่างสมุทัยเวลาตัง พยายางพยาที่จะมาจะจะติดั้งยาจะ่กระจายอกไอะอู่ละรักษาอยู่ที่เจ้าหน้าทเทศใมันเลยเป็นชนอกนั้นถ้ามกองวุฒเจ้ามีมันยัดใสสำรับคนขสมันยัดใสสำรับคนใหยาบานดูแลข้าวใสทุกแห่งทุกมุมทุกทีเจ้า พูดูดละเข้าดูเขาเห็นเานี่ทิจเจนะสอนเอเขา้ละทิจเจนะถูกใจมันสบายเลยไข้ควยมันก็ดีเลยแต่ตอนมันบริทิจเจาอยางทุกไจับได้คิดไใจอ่ามันไข้มควยมากมันแสดงสิบริทิจเจนะไงมันดีตื่นมอเห็นไงจะได้อยู่ดีสบายมันลึกมันมองเห็นง่ย ยิ้มันจะเถื่อนจะเพื่อนจะเที่ยวไปสั่งเรื่องอื่นแต่พี่แย้น่ายั่งมันจะเป็นเรื่องสบายใจไป่ไข่นั่นๆก็ดีล่ละเดียพี่แจหน้ามันนั่นๆือถ้ามีถ้าหน้านี่การพี่จ้น้ายิ้ใจมันจะสั่งคิดคิดถงอันใดก็จะได้แ้ไขกำหนดให้มันลู้ไขว่านัานมันเท่าไงก็ดีล่ะถือถ้าขอนคอขอว่า ทำเงินเงินโตไปคิดหำมันดีทกอย่างเงี้ยเงมันเสือ่คิดันดีใจมันดีมันสบายคิดว่าดีใจก็ดีมาสบายข้นหูมนสบายใจมันรักษาเนี่ยอาศักันเจ้าทำดีน่นอาศัยใันจ้าสติปัญญาเท่านั้นสบายใจยังมีย่ียารักษามาสบายใจมันมียาช่วยรักษาให้ จะคล้องโบราณจะคล้องเองมื่าก็้เอาเริ่มนาระยาหลายปีแล้วหนาหสิคือมีพิจัยหน้าห้สิมีคำรู้ก็สามารถได้อย่างหนึ่งก็พิจเจหน้าไปได้ปกติครูบาอาจารย์เลือกเออาจมีถ้ำไข่คนชอบยูสงบ มสอบให้คนไปกลางวนมองสอบให้คนไปเจียวแขวงจะคิดเห้ยเห็นเห้อย่างไรแกางเจียวข้งตมันคืออะ้รสิไปสื่งนี้เสียน้นได้อยู่คเดียวรับที่รักตาอยู่คิดในเยนหน้าอยู่มันสบายมันไม่ยี่งจะเหวี่ยงยกลัววนคิดใจให้คิดถึงสิ่งเราจไม่ควต้องสอบเขียสรัด สอบปฏิบัติอยู่เดีเดียวถู่คนไปนิ่มอยนาหนายร้ตาเหมือนถามยางหน่อยที่น่ถามยางนี่นันก็เสียเยาหน้าในการเราหน้าในการทิเจาหน้าอย่างหองต๋อยางคนอาจารย์มนตากาครางไว้ทันใหป่วยหนามจจับต่องไก่เขาให้เลยิมเียวขม่เจียวขวบ่ได้ เพนรักษาของเพ่นเพ่นไปจับไปบายไปจับไปต่อมันเป็นไปอีกอันหนึ่งจิตมันิไปคิดไปถึงงเรื่องอันไหน้างพี่จนาสะดวกสบายเขาันกันกัน้งางเขาขวบไปน้ำล่ะงจให้ดีเลยจะเสน้ามันนี่ก็เลยเราเดยงไปการพี่แจน้าใช้น้ันรักษาจิตรักษาใจของวเนไปสนยฮะ เงีบ่จ้าทีนีี่แกนเห็นไมแก่จางใจใจทุกคนเป็นไปในจิเดียวกันหมดน่ล่ะือเหลือหรอผู้เขากิดม่เป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเป็นสาวอยู่อกิมาถวมากแ่กันกับเฮหตายก่อนูตายก่อนเหมือนกันกับเฮาน่ ผู้ตายไปแล้วันว่มีอันใดเป็นตหนสงสัยว่มีอันใดเป็นตหนลุ่มหลงโลอันหามีปัญญาที่ใหน่ะหากไ่มีปัญญาก็หลงไปเรื่อยถ่าสิตายอางไม่จกดีจะเสียจะคิดก็ถูก้วใดจะเสียอันใดเปเพราะวามีสติมีปัญญามีอาจฉรในใจิแต่อย่างแก่ท่านไม่ เรนี่ก็ได้ห่านใหม่เล็อไม่ต้องก็ใน้อยไม่ตองเงน่เป็นเลกสีรักต้ายเนี่ยเป็นลทัเมเลกีนักองย่าเปเล็กของไก่ใจมันยึดมันของมันยมันถืออย่างเล็กหน่ยจะเป็นอย่าง่ายโตอย่างเาเป็นเหลืองนักอย่างง่ายก็เป็นเหลืองเนี่ เก็รให้ใจสองกนพยายามดีเลยใจของเจ้ของแก่ดึงใจของเจ้ของาวัดมาว่าวัดเป็นคิดบวงใจใจมันอยู่ในฐานในศีลในภาวนาเรื่อยๆฐานละวัดศีลวัดภาวนาวัดมวัดดงใจให้ดีใจให้สบายนี่คือยู่ที่อาศัยใจบนมีวัด ยันบีนผักันอาศัยนี่จังจะไหลเลื่องไสสัญญาอารมณ์เรื่องไปังจะการไหลทำไมไหลย่งขุนเอามางไหยัง่ทนท่านเห็นก็ยึดเอาถือเอาถึงเอาจะได้วันีวันูวันเท่าจะตามกิเลสกันหาวันี้วันทานมันจะเกลียดดับแต่แตมัน เดินจงเลื่อยไปจนดังขาดมันก็ยังโมยึดวาญอยู่เกิดห่าตเหล่าเทสไชาิมันก็ยังเดล่ายังเห็นมันกหมดกระบาดนไปอ่ท่านพระพุทธเจ้าสนอยู่ถามอยู่ทุกขนทุกแหงพระพุทธเจ้าเนได้ยินเหลฟังอันใดเห็นแนแกน ยับควนตายเท่านั้น่ก็ยังหน้ามักใจหน้าหิจิบข้างบนสงบระงับได้ท่าหลังเห็นมีเป็นหุเป็นตาสิแดดตัวเอีงอ่าเห็นตัวของัวเอีงอยู่ความหลงควันตายแ่มันแบ่เดือบยานายว่าเปิดวะอยากหนีนี่แต่งเจ้าหาเรื่องมันดีมันเดนมีจังสับ้า เราไม่อต้นกันน่ะเขือนมันไปยึดนั่นแหละมันง่ายแจเจ็บตายมันเท่ากันกับทางเหลืองให้ไปกันไปกลางไมได้เป็นชิดกฎหมายใจของเฮาถี่นี่ขี้เล็หนาปัญญาถึกมันสลประยชน์มันแก้มันเจ็บมันตาย่านกันมันไห่มันบ้าฟังนบ้าฟังเอยานองมันนั่นแหละตัว ห่เจ้คายหนยเห็นตามเป็นจริงทึกสิงทุกอย่างใส่ไว้ออใจก็ไปยึดโยกของมันก็สบายหรือยังทีจหน้าหาข้างสำรักคิดใจจิตกานอะไรมาเป็นขี เลยได้หน่อยให้ยาวกว่านั้นหนึ่งห่างกันพันหนึ่งเวลาใส่รัดตัวก็ตั้งเศษต้งนมีงนนหนรู้พ่ก็เอียงใหังน่ดีก็ส่ก่งเล็กยังหน่อยอูยังละเรียนเรียนวิทสกตีพี่เรีนแบบนี้แบบ นั่นเป็นผลตะกอนดอกขอ้นสมัยมีแบ่ข้นสมัยเนี่ยมัดว่าศาสนาบ่คอยโยกยอขอวัดขว่าถาตังคุยบาอาจารย์มาเห็นพระเจ้าพระสมันจะเ็นชีวีมงคลตาถนงเห็นแหลวเหลืองใสถ้าไหนตาเนี่ยนี่ต่อเนี่ฝ่าเนี่ยนี่คนมืเมื่อ นี้เดียน่มกรทั่งห็นหูยิ้เพอดีวะเนือเบ้าึงอันนี้สองการเห็นการดียนเียบดวจะเป็นบุญเป็นกุศลพยายามทาขั้นดีน่ะทดีที่าสงไเป็นตามตัวไป ไจ้าน่อยใจสับเขาเหลี่ยมใจไม่ผะในจ้าเขาไปยังเลไปสวรรค์เอาไปยังดูเถะไปยังสนใจเหลี่ยมใจให้ยินดีทางคดีสนีหูนี่เปนใจก็เป็นนันก็เป็นประโยชน์การตากรรมดีเอาไว มี่ใจเยี่ามใจในศาสนานี่ท่านนี่ศีลภาวนาเปันเทื่อความดีขอวิเศษเป็นคนดีทก็ดีเหตุแต่ทำใจเล็กแตน้อยว่ชีวิตของห้องนี okay. Okay, so ้เงจะมีใดมันสืบเป็นไปรื้ใดตายอยู่ในถองในใสกว่านี้มากเหม็นด่างเหม็นกลินด่าง ตัวสงตข้าวตายก็นี่หนึ่งหนน่เดือนหนึ่งตายกันนี่หนาวได้เขาเอามืใส่งมาให้เหลืท่านขึ้นงานคว่ำดีอนไรก็ตายไปก็ขึ้นมั่นนี่หน่อยมาเกิดเงินโลกจะมาให้เหนือสั่งต่อเสร็จเสร็จขึ้นงานคว่ำดีอะไรตายไปก่อนนี่ห้องพื้นี่เยอะก่าท่านสั่งเอาเส็จเอาขึ้นงานคว่ำดี เาเยงคว่ำดีที่ห้าต่างไหวจนเ้าคว่ำเฮาเขามีคว่ำดีมีเวนมสือผลหุ่นจักเขาระว่าไหุ่นจักว่ายะหุ่นจักเสือม่นหร่อจักตั้งเียดตั้งถ้ำให้ท่านทีละเฮาเป็นครมืดบนญแตเขามีบุญมาได้รวยมากกับรวยนืดบบอกแต่นอนซ้อนกาง่ายไดเรืนถอยเรื่องข้ามของฟ้าของม มันดูเท ok ่างเขาข้นมือบินแต่ขอกระดกขอบินไหลเงียกระเดียกเงียบบินถ้าข้อนมือบนมเบาอ่างนไหลท่องไหลคอไหลคมากะไรต่างต่เป็นบินเท้านั้นเาเป็นข้นบินดูเดิมเป็นซุแ่ะลาะบาแบทุกอย่าหมบ้าห่อนบอกเผาบอกเงียถ้านที่ แดงๆเป็นด <ạ. S 1> ีแต่เดี๋ยีอเสท้องดีมากมันก็กลายเป็นของเสวไปดีเสียเนไรแม่ทศมือห้ามันก็กลายเป็นทองเีทองเน่ามันเป็นสอนเหตุางความดีเอา มีขาอดีแต่ปอดไข้มีข้อดีได้เย็นใจมีข้อดีไปสถานที่ใดแต่นี่คือรักคือชอบเขาเบื่อมันมาคือข้อดีถ้าไสั่งเราคือเลี้ยงแน่ข้อดีเองนีหลายท่านที่อยาสั่งแต่ทำเาจะสั่งบะท่ันก็ดีว่ได้ตอนนี้คืเพ่น อย่างหน้าคายสาให้ยามถนถนอมคนแหน่คนซ้อนอันใดใส่การงานอันใดจะจะจลิบจีเลียมเสียงแห่ตั้างใส่ําขอนเป็นหนึ่งดีรางดีตองเฮาถว่าเป็นหลูกเป็นเต่าเป็นหาเป็นดาเปนาเป็นาวจะือไดเพิ่น บอกคุ้มับยให้อันใดเฮ้ยคิดคิดทําคิดตรวคิดเช่นกันทรัพย์เกษียณเพ็นถือเป็นขครอบครหรคอื่นเขาทําเสีท่ำเสียพอแม่ไปไ้ขาไปขี่ไป่อยไปได้หรอกหูืตัวท่ำเสียท่ำเสียพอแม่เสียใจหลายหายดายจำเอาไว้เ่นได้ขีหาเพิ่มด้าเ้าเพิ่ก้าวอย่างเดดีจเอาไว้ให้เกน เห็นได้จำบ่เ่เอาไว้เหตุเหตที่ไหนที่หลังไปใ้กระหให้อีกอย่ากันเฮาหัดลืถอยลืมกว้างพอเมยางนั่นเลยกเเต่าเห็นมากค่ะเบ่่ยฟังข้ามงต้องหคือกันกระใหว่าฟังก้างพอเมายางกระกันท่ากรรมือเอาไว้นื่อมากกระเสือกรเสีย จเ็นอรอบยำเฉียงคอเมียเป็นเทวดาคอเมียเป็นพ่อมัลลิกขอเต่าเป็นนี่เข้มาหานในใจรากไข่เอ็นดูไม่มีเช่งใดสิจะเห็นจะเห็นเข่ากัลลิกก็เต่าข้างเพิ่มดอกเกี่วไข่ได้ทุกมาโดยมีวันมีท้องก็เลยกูไปยืนมารักษาลูกขายให้คล้ายหน้าครับเข่าค้ายของจะรักษาสินี่เป็นฮักเป็นแทร่งขนาดใด ก็มัดอันใดก็ ร, รูมไม่ลืเ네สีดตอนลืมกันลืมลืมมเสียดีตอนแง่ลกมแลมีซ่อมแกใส่แบบถูกตอแนี้ก็ เ, เย็นใจสบายใจกินมเดานอนรับขันลืมไข่ลืมน้าลืมแกลืมเหมือนัม่งนักเขานั่นคืกจิ้มก็อันใดก็จิ้มได้นอนมีสถานคื่แดบสบาเป็นสึกยอมรับไข่ ลอยใจมันค mm. mm ิดน้ำเหลืองนั้นเต่าเป็นหงเป็นหงเหง่ห่องขนาดนั่นกระสมันก็ยังไงกระตุมนดอกฉันคืธรรมดาไม่รูเามันอย่างไงมันวิวคลุดมือหลูกหมาด้วยหลุกมือหลุดปามันไครเขามันหนีไปเลยไม่วิอได้เด็กก็สั่มหมอกำหมอไฝมันมันใบใหญ่กระตุกหลุดข้อนออกหน้าพอแม่บักษาขึ้นมไปตายใบใหญ่จะต้นเป็นเห็ดตา เส้นสารรักษานี่กัดกินกันบ่ได้เป็นลายห่อต่ะใหยังเล็กยังน้องสีเส้ยขาเส้ยแ่สีเส้ยบอลเส้ีนิดแต่ยังห่อยเยด่าขาเยอะสีรักษาคือยางเสือเจ็ดสีเจ็ดเดียวห่อยเจ้สิไงมะขาตนนี้กินสีวัดไร้สะเตยอยู่ มันคิดตีนคิดนู้ดไปเร่อยล่างเรม่ต้อง่ายๆบุญกุ้นคนจังหลายกาศเสียแรงสร้างคนคือได้เสียสร้งถอดซ้ำผมปลอกเสื้อเมียผู้นั้นได้ดีละบุญกุ้นเร็จตะนับจะนู้นให้หัวมากกับคนหัวคู่หูคู่หูง่ามคนละเจ็ดเหนียงกับเริมกาณาคู่บ่สร้ง ตั้งค่ำา่เขางซ่เขาแม่นี่จะใส่จะด่าเพื่นล่าให้ไปอั น, ห ไ, ป ไ, ปอนห ไ, ไหนเพื่อนไปเอ็นี่เบี้ยวเบ้อสร้างเบ้อไม่ได้โอกาอสค่ำสองทั้งจนเ น, นี่ยเสีหายวันี้ชางจะเล่นอยาเป็นตัยวยดีนี่แต่จี๊ด้มแง่อย่างนี้ก็มบัดไม่เตี๋ ย, ยเหรอเอาเตียให้สร้งพอแม่ัองเตี๋ยพอรับรับมา ร่มดีไปเตือนแหมันเป็นเสนอหตอนนี้ขั้นการหักกะแพว่งตอนลูกเ่อดีตอนนี้การหักกรแหว่งข้นอื่นกัเห็นกายได้ต้องดีห่อกายได้ทุกการนะแต่ต้องดีต้องดีเลยช่วยีดนันคิดเมื่อห่อใหญ่จนิ้วล่างขีดแต่เม่อเงินเงนทาวแล้วเหนคำมาเป็นเมื่องินกับนีมันข้อเหยืบเหาะเพราะว่าต็นมีตาต้องดีก็อสั้น ก็สั่งข้นเดียวในกายในใจทังเฮาเล็ t แดงๆใหย่างทั้งขั้ดีไรนะครบต่อไปจะดีเกี้ย่อมืองทั้งขั้นอขัแน่ไม่เสีหายแตาใจใจงเทาหัวเกิดไม่ยาหลังบางสิงบางอย่างอยู่เท่าบงการ คิดไปคิดไปแล้วเื่อสิไม่แก้ไขได้ทำไมันก้องไงแต่จะให้ระวังรักษาเื่อตั้งคู่ทเป็นหัวหน้าที่สอคือแนวข้างเอกดูแลรักษากริงจริงทอย่างเป็นบรได้คิคุณข้าจะละเอียงเลยตะกี้ดัดหน้าเอาด่าเอาแย่เอาคนเป็นรดเกลี่ต่างต่างยน่อย ไปให้ไปไหน้าเอาไปใส่ตังคินหลังคืนบ้าคืนเอวอ้วนเต้นเสีาไปเย็นเส้นแต่เป็นคนคิดเลื่อนข่าเอาไปได้แล้วเชื่อไปได้เพี่ยงจะให้สุ่ยมันขนาดใหญหันอาหารการกินเท่ไเด็คิดข่าคิดละข้าวไวกินแม่เท่าด๋คนปฏิบัติตักใส่สี่ปีเส่เงาหันสั่งคนใส่หน้าปฏิบัติเท่เงาหันไมนก็ะจง หมดเงี้ยมไปเอาขวเท่านี้จะ ท, จะท่าปฏิบัติยายารักษานอกนบเงี่ยมค่ะท่อมใจสบายเพีงใดมันแช่เงี้ยมเพื่อหาม่ให้เนื่องหัวเป็นดีแล้วรักษาใหา้ทุกอย่างจะจะพอแม่เป็นเทวาดาพอแม่เป็นพ่อมตาลกข่าวกรื่หน้าสงสารมีสีตาเย็นดี ไม่นี่ยหมีอมซุกหเป็นขาดเป็นรัวเดืเสือเดเนี่ยมีเงินมีเท่ามีแถวมีข้งยืดย็นเป็นซุกเบอร์ซุกเบอรหล่อนตอนนก็่าไม่เบียขาได้มีใจสบายเป็นกลางไม่เป็นจิตใจอยงก็แยงเอาแต่อลูดจากเต่ามาเด็กเป็นเฮาอย่งอย่างเม่อยกรเทียบเหมือีแต่นิ่งเพิ่มเหมอนจีเนียเียด เล็ดเหนื่อยเ็บหนังเราต้งแหงนหกกรดูกเนธรรมาดาลูกเสียลูกเสียมันนี่เฮ้ยเดี๋ยสิเป็นลูกประเภท่อนนั่นเป็นลูกดีลูกน้องแข็งแหวนข้อคอข้อมา่ลู ก, กันนีดีสามระเทือ่อนาวไหวในกำรับตำรละอธิซาตะวุฒอนุซาตะวุฒิอวสซาตะวุติใ่ หลูมสามประเทศอาราซาวุฒิคือวุฒิตำเสาเลี้ซ้พร้อมนี่ขยันขันแข็งทาการท่างานเล้วดเกียรพข่านนี่อยากนี่กินนู่เกิดมากเดีทานให้นี่ต้องอกินก้อเหลืนนอนเย้นเนี่ยเป็นความเ้าเริมแบบนอนเกียวีอนเียบอกไปทาการท่าง้างไหนก็่อยากไปเพียนกินเขียนหลืองเนเพื่นเขีย เของหยอทราประวัติวัตัววเสียคือพอคือเมียสิหลายก็พอก็เมยตาาล่ามกเล่าสร้างเนี่ยวุฒิบางานเนี่ยติเป็นี่มีมลเนีติเป็นเสี่ยงกะดับร่วงตกจนเจ็ว่ได้ถ้ำว่ได้เลยเสียเลยเสียเหลิมเรเิไป เหงอาราซ่าตะยึดขึ้นยึตัวยึดเสียอนิวซ่าปะยึดพอเมียใช่ไ่มเจ้าพระธามีสตศีปัญญานี้สมบัติพระเศาร์เียงไหลริกับเต็ไปตามพอเมียใทําเสียวทเสียนทให้ทำหน้ารูวกับติดมรบกตบอกพนกองเต็ก้อง่าอยู่เด้ยิดหายไเพียงยางไหลไปเห่นชัว่าอนิซาตะยึดขึ้นยไปตามพอตามแม่ย ตาเมียผ้าถ้ำยางไหลหลุดเต่าเกิดมากจะถ้ไปอย่างนั่นอัคคีทราก็บุทธยุทธยิงก็พาก็เมียตเมบวชัยหล่ำเลี้ยเสาแข้งเงินทองเกิดมากนี่หลักคณะศิลปก็พอก็เมยเป็นคนดีนี่เศรษฐีปัญญาหนี้เส่แข้งเงินทองมีศีลนมีถ้มีถ้ำเสียสลับเศรษฐีปัญญาตามา ลืมว่องตะคุณนันเพาะว่าพี่ฟาดบุตรบุตรยื่นบุตรดีบุพิเศษก็คอมงบุตรมันมีสามประเภทหรือมันมีสามยางยางนั่นเัื่องไถมันเป็นทำนองนั่นแต้ของดีแต่มันหายง่าของสเครื่องสีฝ่าราบมกปัญหาไงยห้แบบดีก็สอนใจสองเทา เป็นล um. ูกแบบใดขังพ่อขังแม่สอนเกี่ยวของเกี่ยวเองแม้ขี้เช่นขี้เกียจขี้ข้างขยันมันเพี้ยนเหมือนใเหมือนท่องขอของมันขีเกียจขี้ข้ามนอนฝันเอาลวเท่านั้นมันจะไหลวะแม่ให้ละบางเฮาเมืองเฮามันเป็นบังอุดมสมบูรณ์ ตับในดินที่ไม่น่ามันนื่ข้อพยานมันเชี่อมเช็ดถ้ามันเป็นนีมนเป็นข้าทั้งหมดนะฮะขี้เหยียดขี้ข่านมันก็มาเป็นอย่างเป็นล่าให้แล้วขี้่านไปเพ้อไป้อขี้่านเนะในรุมากเขลเรีกขี้่านบอกก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ได้ไปกว้เป็นบอกเนี่ยปากเสียเชื่อว่า บอกเนี่ยพอแม่ตาเสียดลตาเหียดพ่อแม่อยากอายพ่อหนุ่ย่ยจะตาเหลียไปาอายไปลเนาะแบบนั้นอะรระมาณนี้ว่างไปว